พระอรหันต์ปัญญาวิมุตติกับพระอระหันต์อุพโตภาคาวิมุตติอนนเมื่อใดภิกษุรู้ซึ่งสมุทยัยความอัสดงอัสาทคือส่วนดีอธินกคือส่วนเสียและนิสระณะคือทางออกแห่งวิญญาณนิทิจเจและอายตนาสองเหล่านี้ตามที่มันเป็นจริงแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือมัน่นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติอ น, นุนเมื่อใดภิกษุเข้าวิโมก8ดเหล่านี้โดยอนุโลมบ้างเข้าโดยปฏิโลมบ้างเข้าทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมบ้างเข้าก็ได้ออกก็ได้ในคราวที่ต้องการซึ่งข้อที่ต้องการเท่าเวลาที่ต้องการ และเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปเธอได้ประจักษ์แจ้งเข้าถึงอยู่ด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันนี้ทีเดียวซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นอุพโตภาคาวิมุตติคำว่าวิญญาณทิติ คือที่ตั้งแห่งวิญญาณมีเจ็คือ1สัตว์ที่กายต่างกันมีสัญญาต่างกัน 2. สัตว์ที่กายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกัน 3. สัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกัน 4. สัตว์ที่กายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกัน ข้อ5ถึง7คืออรูปภพสาข้อแรกมีอากาสานันจายตนะเป็นต้นอายตนะแดนสองคืออสัญญีสัตตายตนะและเนวสัญญาณาสัญญายตนะบางทีรวมวิญญาณทิฏฐิ7และอายตนะสองเข้าด้วยกันเรียกว่าสัตตาวาด9้า ที่กล่าวถึงวิญญาณอาทิติ7และอายตนะสองอย่างนี้เป็นเพียงวิธียากเยื้องเทศนาอย่างหนึ่งเท่านั้นจะใช้ขันหแทนที่ลงไปก็ได้ราครอบคลุมเนื้อความทั้งหมด